นี่กลับมาดูนะครับมาดูนะกรับมาดูต้นบาอย่างนะครับเนื่นะสุทาวุที่สองนะเจตียวัฒอ่านไปแล้วนะครับหัวข้อมาริกาไปแล้วนะต้นใหญ่ก็มยายนทธ์พัสดุ์ีเหมือนเดิมหน้าไหนครับหน้าแปดร้อยแปดสองนะครับท่านจะไม่พูดยาแนะนะท่านจะใช้คาว่าสาวัถินิทานครับใช่ไหมตอนแรกไว้ข้างล่างบอกว่า บ, บารีว่าสาวัตถินิทาน เห็นอยู่ในที่ใดนะครับในที่นั้นมีบาลีแปลว่าโดยสมัยนั้นพุทธภาพพระเจ้าประทับอยู่ณพระเียตวันอารามของอาถามบิธีการข้ามบริเขตพระนครสามัีดังนี้นะครับเนี่ยถ้าเขาว่าสามัคคีทางว่าอย่างนี้นะครับแปลว่าพระเจ้าท่านอยู่ในพระเยตะวันใช่ไหมในเมืองเขตเมืองสามัีนะครับข้อะนั้นข้อสองนี่ก็เหมือนกันนะครับข้อนื่นก็จะเหมือนกัน ที่บอกว่าสามวัตถินิทานนะมันก็ตั้งเจ็ดสิบสอง 7, ข้อใช่ไหมที่เป็นมือสามวัตถนะครับครั้งนั้นก็จะเจ้าวคีห่มผ้าเหื่อยหน้าบ้างเหนื้อยหลังบ้างนะครัอันนี้ว่าแล้วแล้วหลวงก็บรรยายขึ้นมานะครับอธิบายว่าอันพิสุห่มครับทํามทั้งสองให้เสมอกันผมให้ดูแล้วนะมเมเล็กี้นะครับมือเสมอกันเป็นยังไงชื่อว่าห่มเป็นปฏิมณฑนนะครับ นี่การห่ผมผ้าในวัดธรรมดานะยังไม่ใช่คุมนะครับพีสูดาใสายความไม่เอื้อเฟื้อห่มผ้าเลื้ยหน้าเลื้ยหลังต้อบัตุกบกนะครับะาะาบัตก็ยังเหมือนกันเหมือนเดิมจบ น, นะครับ